โอกาบพลวัพระราชนตรัยมีพระพุธธรรมประสงค์ขอนมามัการคุณกูบายจานพระเทลานุเทระทุกท่นทานเจ้าทั้งพี่สลงพอ่อลูกลูกเจริญพร ในที่มาตรวจปฏิกาทุกๆคนนั่งตามสบายโอ้วันนี้ก็บฝนตกนึกว่ามันจะไม่ตกง่าย ม, า ม, ามันข้าร้องไปร้องมามันเกาะขึ้นมาแล้วอะ่ะตกแท้ๆแล้วอะ่ะตกจริงๆริงอีดีแล้ว พ่าใหม่ฝนใหม่ต้องตามฤดูกาลตกอย่างไม่ว่าเช้คาคืนรัฐบาลคนใหม่ขึ้นมาแล้วเนาะพ้าพ่ฝนมันจะดีหรือไม่ดี ปีแล้วมาแล้วก็ดีแล้วผลป่าผลดีเท่าน้ำจำปาก็ดีจิตใจเราก็ดีฝนตกที่นี่ก็รู้สึว่าสุขสดชื่นดีจิตใจของเราตั้งอกตั้งใจตนพึษปฏิบัติก็ดีเหมือนกันถ้าฝนตกฝน ล, ลงมาแล้วก็น้งใจ ก็มันเบิกกอเบิกบานไปทุกอันนะ่ะทุกต้นต้นไม้ต้นไม้ทุกต้นมันก็ขึ้นบานไปเหมือนจิตใจของเราเนี่ยแหละเมื่อวัีเห็นห น, หน้าคนใหม่ก็หลายหายคนอยู่ที่มาใหม่ตั้งอกตั้งใจฟังบุญวาสนาบรารมีของเราอ่ะถ้าคนใดนไม่มาทํามันก็ไม่ได้ คนใดมาทำมันจะกะท่ทใได้ของใครของมันจะทําให้กันก็ไม่ได้อะต่างคนต่างทําคนใดที่มาเข้าร่วมในพุทธศาสนานี่ก็นึกว่าบุญวัฒนาบรารมีเขามันดีอยู่ในเมืองพุทธศาสนาก็ควรจะมาศึกษาเรื่องพุทธศาสนาให้มันถูกต้องพุทธศาสนาไม่ได้พูดเรื่องอื่น มีแต่พูดเรื่องชีวิตจิตใจของเราเรื่องสติปัญญาของเราที่เราเคยเกิดมาเนี่ยเราไม่เคยได้ศึกษาแต่อันอื่นเรื่องอื่นเราพวกเราก็ได้ศึกษามามากแล้วแต่เมื่อก็ออกทุกออกแก่ทุกไม่ได้ก็ไปเป็นผู้สนหน้าวนวในวัฏทรงสารเนี่ย มันรู้ยากอิ่มไม่ดูอยากเบียร์ัม่ดูอยักเปิดมีตั้งแต่เหมือนเรากินข้าวนะรกินเมื่อไรก็อิ่มได้เวลากินกินแล้วก็พอถึงเวลาอีกก็หิวอีกเรื่อยๆไปได้อะไรก็ไม่พออยู่ในบุโลกลเนี่ยเรามาศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาเนี่แเราก็รู้จักวิธีแบ่งปันจิตใจของเราเนี่ยเอาแต่ความพอดี ของเราไม่ถ้าเยอทะายานให้มันเหลือเกินความสามารถของเราไปเอาความพอดีให้ตัวเองพระพุทธเจ้าท่านสอนเรามาให้ปล่อยให้ละให้วางไม่ให้ไปติดสิ่งที่เรามีเราเป็นเราสร้างสรรค์ในทุกวันเนี่ยให้ละให้วางให้ปล่อยไม่ใช่ว่าสอนให้เราขี้เกียจที่ข้าน อสอนอะไรูจ้จักการเทศะรู้จักเวลาหรือการงานของเราสิ่งที่ดีสิ่งที่ควรให้เราพยายามอย่าไปยึดมัน่นถือมัน่นในสิ่งอะไรทั้งหมดได้ก็เฮ<ก>็ดทาแล้วก็ให้มันมีอยู่ตําเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่ง่าเหมือนเราไม่มีอะไรมันเสียมันหมดไปแล้วก็เล้วไปทําเอาใหม่ เพราะว่าสิ่งของที่เราทําอยู่เนี่ยไม่เป็นของที่ยั่งยืนถาวรเป็นของที่หมดไปไมันเป็นเรื่องธรรมดาหมดแล้วก็หาอีกได้ขึ้นมาอีกแล้วก็ดีอกดีใจถ้าเราไม่มาศึกษานี่เราก็จะคิดนักกับของที่สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยแหละไม่มีหลุดวันลืมไปไหนก็เป็นทุกข์ อยู่งั้นะอยากได้กลับคืนมาแต่พอเรามาเข้าใจพระพุทธศาสนาแล้วเรารู้จักลดหย่อน่อนพันแบ่งปันมันเป็นเรื่องของธรรมดาเลี้ยงไม่ไม่มีสิ่งที่ใดเทื่อ่ยังยืนแน่นอนมีแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวันทุกวันไม่ว่าแต่สิ่งของ่ะสิ่งของมันก็อยู่เฉยๆน่ะหมดไปเมื่อก็หมดไปเฉยๆแต่ว่าเราไม่ได้ดูจิตดูใจตัวเองก็ก็พลอยไป เดือดร้อนกับสิ่งที่มันหมดไปพอเรามาเราเข้าใจแล้วว่าโอ้มันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดามันเป็นอย่าง น, นี้ไม่ให้มันเป็นมันก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องธรรมชาติของเขาเรามันเกิดมาในโลกนี่ไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนถาวรมีแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไปตั้งแต่เรานี่ยละขึ้นไปอะ่ะตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ก่อนเกิดมานี่ก็เป็นเด็กเล็กๆไม่รู้จัก ราก็ค่อยใหญ่ขึ้นมาก็ค่อยรู้จักเรียนสาเออรู้จักจา ก, การจาาัดการรู้จักการกระทาของตัวเองรู้จักแ ล, ล้ว ก, ก็รู้จักย่างหยุดลดละปล่อยวางไปเรื่อยๆไปไม่ถือมั่นในสิ่งที่มันไม่แน่นอนเป็นนั้นให้เรามาศึกษานี่ก็เพื่อว่าจะให้เรารูจา้จัก จิตใจของเรามันเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันก็เป็นอยู่อย่างนี้อะไรม่เกิดเมื่อก็เกิดอะไรม่จะดับมื่ก็ดับจะห้ามมันไม่ได้มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติอย่างนั้นให้เราพยายามมาทาดูของเราชีวิตจิตใจของเรา ให้มันยั่งยืนถาวรอย่าให้มันอย่าเป็นคนคิดมากอย่าเป็นคนที่โมโหโธโสมากให้รู้จักละจักปล่อยจักวางเราเกิดมาก็หวังจากความจากได้ความสุขความสุขอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กับเราแล้วไม่ใช่ว่าคนอื่นจะมาทำให้ให้เรา เป็นเป็นทุกเป็นสุขก็เราไปทำเองไม่มีคนจะมาให้คนอื่นทุกข์ดอกมีแต่มีแต่เราเนี่ยไปทุกข์กับคนเรื่องของใครเรื่องของมันเรามาแก้ตัวเองมาดูตัวเองเราโดยมากเราไปดูแต่คนอื่นว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้น คอยไปเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นทุกข์พอเราเข้ามารู้จักชีวิตจิตใจของเรารู้จักความเดินของชีวิตจิตใจของเราทำงานอย่างไรดั น, นียเราก็คอยฟอยไปรู้จักรู้จักและรู้จักยับยัางชีวิตจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นอย่างนั้นคนอื่นจะให้เขาทำเหมือนเราแล้วก็ทาไม่ได้ ต่างคนต่างทําเขาก็ของเขาถูกของเราก็ว่าองเราถูกอย่าไปคิ ด, คดตีพยตีภัยคนนั้นคนนี้แล้วเพื่อมาดูตัวเราเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเร า, เรารู้จักว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนนะั้เป็นของที่ไม่แน่นอนนะแล้วเราต้องมาดูกิจดูใจมาศึกษาเรื่องทิวจิตใจของเร า, เ, ราเพราะการประพฤติปฏิบัตินี้ เราจะไปห้ามสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันเป็นให้เราเราเป็นของธรรมดาของเราเนี่ยคืออยู่ให้มันดูเป็นกลางๆวิธีการปฏิบัติว่ามันดูกายกับใจนนไม่เคลื่อนมันไหวอยู่ตลอดเวลานี่น่นะอะไรเกิดก็ให้มันเกิดเราจะไปว่าน่ายมันความทุกข์ก็มีความสุขก็มีไม่เกิดขึ้นมาให้เราเห็น แตความเจ็บความปวดความเหนือ่อยความล่าอะไรมันก็มีดูความร้อนความหนาวมันก็มีอยู่อย่างนั้นจิตใจมัน ม, ม, มีหน้าที่คิดมันก็คิดอยู่นั้นแหละถ้าเราไม่รู้จักมันเราก็เป็นทุกข์ไปกับมันเรื่อยๆไปเราก็มาหาของของสอ ง, งอย่างนี่แหละจิตใจกับร่างกายของเรานี่มันเกิดมาพร้อมกัน แต่ว่าเราไม่เราไม่ค่อยได้ไปดูมันเท่าไหร่เนี่ยดูตั้งแต่กายเนี่ยแหละดูแล้วก็อันใดไม่สวยไม่งามก็หามัดใส่ให้มันราคาแพงเท่าไหร่ก็ซื้อมาถ้าเราชอบเมันก็เป็นเดืางนั้นส่วนจิตใจของเราไม่ได้ค่อยค่อยได้ดูเลยเวลาเราโกรธขึ้นมาเนี่ก็มันเป็นทุกข์ขึ้นมา อย่างนี้ก็เป็นผู้เป็นก็มหมดเลยเราไม่ได้ดูว่าเป็นของที่จริงหรของปลอมเราก็ไม่รู้เป็นของที่ทำให้เราไปยึดติดทั้งหมดเลยมีรถมีชาติถ้าไม่เคยขึ้นมาก็อยากไม่อยากจะให้มันหนีไปไหนละไม่ว่าอะไรทั้งหมดนั่นแหละเอาทุกอย่างเกิดขึ้นมาเนี่ยความสับสนวุ่นวายทุกอย่าง ความดีก็เอาความชั่วก็เอาทั้งที่เจะของไม่อยากได้ ไ, ดไม่อยากได้เลยแหละสิ่งที่ไม่ดีดแต่ว่าสิ่งที่ดีๆนี่ก็อยากได้ไม่พอโอเใจเราได้เท่าไหร่ก็อิ่มไม่เป็นมันจะเป็นอยู่ยนั้นเพราะฉะนั้นเราให้มาศึกษาเรื่อง ชีวิตจิตใจของเราเนี่ยก็คือมาศึกษาเรื่องกายเรื่องใจมันเป็นเรื่องธรรมดามธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาอยู่อย่างนั้นให้เราอย่าเข้าไปเป็นคนเป็นกับมันแล้วก็การปฏิบัตินี่ก็มันเกิดขึ้นมาอะไรแล้วก็ให้เราดูเฉยๆดูแล้วก็ให้พิจารณาไปมันเป็นอยู่อางนี้เองซึ่งได้ถึงไหน น, นะน่าตั้งแต่เรายังไม่มาพึ้ปฏิบัติเราก็ไม่เห็นพอเรามาพื้ปฏิบัติเนี่ย มันก็เกิดขึ้นมาให้เราเห็นเห็นแล้วตั้งแต่ก่อนเราก็เคยไปเป็นกับมันเข้าไปอยู่กับมันเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างถุแลวแต่เขาจะพาไปเขาพาดีก็ดีเขาพาชัววาช่วก็อกชั่วตุแลวแต่เขาจะพาไปตามใจเขาหมดทุกอย่างเขาบังคับบัญชาเราไปเป็นทาสของเขาไปเรื่อยๆไป พอเรามาเห็นตัวเองเนี่ยมันจะรู้จักว่าความเปลี่ยนแปลงของชีวิตจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องกายของเราเนี่ยไม่ให้มันเป็นเป็นอย่างไนั้นมันก็เป็นไม่ได้มันก็ไม่มีเป็นทำไม่ได้มันสุดแล้วแต่เขาจะเป็นเจ็บหัวปวดท้องเออเป็นไข้เป็นอะไรสุดแล้วแต่เขาจะเป็นทิ่ปวดแท่งปวดขาปวดหัวปวดเข้าอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นเอย่องนั้นเนี่ย ก็เข้าไปเป็นกบเขาหมดเป็นทุกข์กบเขาหมดอันนี้เราเห็นแล้วเราก็หายามาบรรเทาช่วยมันถ้ามันไม่หายไม่หยุดก็เราก็ไปหาหมอหมอเขาว่าไงก็ต้องตามใจหมอเขอให้ไปทันเวลาอย่าไปปล่อยให้มันป่วย โดนอย่าให้มันเป็นนานให้พยายามไปหาหมอให้ทันเวลาตองทีให้หมอเขาได้ดูได้ให้ให้มันได้จะหายเร็วๆมันเป็นอยู่นั่นเองมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายใครๆก็อย่าหนีไม่พ้นต้องไปด้วยกันทุกคนนั่นแหละความตายขึ้นมาความเจ็บปวดเก็บขึ้นมาก็เป็นธรรมดาหมดอย่างอยู่อย่างทุกคน เราจะไปบังคับบัญชามันก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาสัญชาต่ยานเขาเขามันก็มีอย่างนั้นสัตว์ทุกตัวก็ต้องเป็นเหมือนกับเราเป็นวัวเป็นควายเป็นอะไรมันก็พูดไม่เป็นแต่ว่ามันเวลามันเจ็บมันปวดมันก็เป็นเหมือนกันเนี่พวกเรานี่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐอะไรขึ้นมาเราก็รักษาบรรเทาไปช่วยมันได้ส่วนชีวิตจิตใจก็มันก็เดินทางเขาเขามันก็เป็นอยู่นั่น คิดเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้สารพัดนั่นเพี้ยมมันจะพาเราคิดไปพอมาทำความรู้สึกตัวเอมาจอมความรู้สึกตัวเรามีที่พึ่งแล้วอืมคือเรามาหานี่ยมาหาตัวที่ไม่มีตัวไม่มีตน ม, มีแต่วัตถุอาการมันเกิดขึ้น่ะให้เราเห็นเฉยๆแล้วเราก็เป็นผู้เป็นไปกับมันตั้งแต่ก่อน เมื่พอเรามาเข้าประพฤติปฏิบัติแล้วมันก็จะไปเห็นความคิดตัวเองความคิดตัวเองมันจะท่องเที่ยวไปอยู่อย่างนั้นทั้งกลางวันทั้งกลางคืนกัางคืนนอนฝันกลางวันนั่งคิดมันเป็นเรื่องธรรมดาพอเราเอารู้จักเขาเนี่ยเอาฝึกขัดเขเราเราจะรู้จักรู้จักชีวิตจิตใจของเรามันคิดเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างเรื่องดีเรื่องชั่ว เรื่องอดีตอนาคตที่ผ่านมาแล้วเรื่องเก่าๆที่เคยผ่านมาตั้งแต่นานแล้วมันก็ออกมาคิดเออมันก็คิดอนาคตยังไม่มาถึงมันก็ไปคาดเสน่เอเอาอย่างนั้นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทำมันนั่นจะได้อย่างนั้นทำนั่นนี่ได้อย่างนี้มันถมันจะค่อยตีโพยตีพายไปเรื่อยๆไปไม่รู้จกจบมาหรือจกสิ้น ถูกบ้างทุกบ้างเมื่อกี้เป็นอยู่นั่นเนี่ยเขาว่าเรียกว่าท่องเที่ยวในวัดตงสารอันที่เห่านี่แหละเรานี่นนะทั้งกลางวันทัง้งคืนคืน น, นอนฝันกลางวันนั่งคิดเราก็ไปอยู่ตามมันอยู่อย่างนั้นไปทุแล้วแต่เขาจะพาเราไปวันนี้เรามารููแล้วเราก็จะกลับปฏิป ต, ปติแปลว่ากลับคือมากลับดูชีวิตจิตใจของเรา เราจะไม่เป็นไปอย่างที่เราเคยเป็นมาแต่ก่อนมันเคยฝันมันเคยคิดกลางคือนนอนฝันกลางวันมันก็นั่งคิดวันนี้เรารู้จักแล้วเราจะพยายามมาดูตัวเองได้กลับขึ้นมามาดูการเคลื่อนไหวเนี่ยมาดูใจมาดูกายเคลื่อนไหวมาดูใจมันรู้คนหนึ่งเป็นคนรู้คนหนึ่งเป็นคนเดิน บางคนนะ่ะรูปรูปรูนามัยก็ไม่รู้จากรูปนามคนเนี่ยอะไรเป็นใหญ่เขาก็ไม่รู้ไ ม, ไม่เข้าใจใ ค, ใครเป็นหัวหน้าอยู่ในตัวเราเนี่ยเขาก็ว่าเจ้าตัวเองเจ้าของเองก็มีชีวิตจิตใจของเราเนะ่ะไม่เคยพูดเลย กายกับใจเนี่ยนะจะตอบให้ว่า<ด>ในในกยายที่นี่ก็ยังตอบไม่ได้เลยตอบว่าใจเนี่ยก็ยังตอบไม่ได้เลยของเราเดินเห็นอยู่เนี่ยมองเห็นอยู่ตามองเห็นอยู่เดีนน๋ยวนี้มันเดินเราก็เห็นเนี่ยมันก็เป็นวัตถุมันเดินให้เราเห็นเนี่ยจะเรียกว่าอะไรนะ่ะคลิๆไปๆ ไ, ไ, ไปหาต้นไม้เขาก็ว่าต้นไม้ ที่มหาเราเนี่ยเขาก็ว่าตัวเราพยายามหาให้เห็นหนะถ้าบอกไม่ได้หรอกอันเนี้ยบอกไม่ได้เขาลองพ่อพูดเที่ยวกับเจ้ากระบอกนั่นแหะให้หาเองอันหนึ่งมันเห็นด้วยตามันจับถูกด้วยมืออันหนึ่งเอามือไว้ท้างหลังมะกรูดว่าคมว่าเหยียดมะก็รูดรอะไรเป็นคนรู้ เขาก็ตอบไม่ถูกถูกอยู่แต่ว่ามันไม่ถูกจริงอะ่ะก็บอกให้มันตอบเพิ่มันถูกก็ให้เดินไปันเนี่ยเดินไปเนี่ยเดินไปหรืใครเป็นคนเดินเพราะว่าเพาว่าตัวของเราเป็นคนเดินเขาไม่ว่านี่ยเขาว่าจิตใจพาเดิน มันสั่งให้เดินก็เดินแต่ว่าอันเดินนี่คืออะไรคือตัวผมครับระว่างนี้ให้เราพยายามดูอาการของเราอะ่ะอาการที่มันาการที่เรารู้จักทําไปอะไรมันรู้มันรู้นะ่ะยกมือขึ้นเราก็รู้เอาลงเราก็รู้รู้เนี่ยคืออะไรเป็นพรารู้เนี่ยคนเนี่ยไม่ ถ้าไม่มีใจมันจะอ้อะไรมันรู้แต่ตัวรู้สึกเนี่ยถ้าไม่มีใจมันจะรู้สึกอย่างไงคนตายเนี่ยก็ไม่รูส้สึกเที่ยงเกียงตีตัวเคลื่อนไหวไม่ได้ไไดเขาก็ไม่รู้ให้พากันดูดูหลวงปู่นี่ท่านย้ำแล้วย้าอีกแหละเรื่องรูปเรื่องนาเนี่ยท่านบอกว่าถ้าไม่รู้รูปรู้นา ถ้าเราไปเรียนมารู้เนี่ยมันจะไม่แก้งมันจะเหมือนเราเหมือนเมฆหมอกแนละ้วมันมาบางตะวันไว้มันมจะไม่มาถึงเรามันจะเป็นอึมคึมอยู่ตลอดเนี่ยทําอะไรไปเนี่ยมันจะสงสัยสงสัยอยู่ตลอดไม่ไม่แจ้งไม่ชัดถ้าเรารู้ลู่ลู่ลน้ำเนี่มันจะเข้าใจเพราะว่ากายของเราทุกอย่างไงเราก็เห็น ใจมันทุกข์ยังไงมันก็เห็นมันไปยังไงมันก็เห็นมันตัวไม่ไม่ ม, ม, มีตัวมีตัวมันก็เห็นมีตัวมีตนมันก็เห็นอยู่แล้วมันก็ดูอาการถึงที่มันตื่นกับเราเนี่ยแหละเขาเรียกว่ารูปกานามภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ากายกับใจภาษาธรรมาเขาเรียกว่ารูปว่านามที่มองเห็นด้วยตาเนี่ยอันหนึ่งที่ วัตถุหรืออาการสิ่งที่มันเกิดนั่นคือนามมาธรรมเป็นรูปเป็นนามเป็นนามมาลูกก็เหมือนกันท่านสอนสอนว่าถ้ารูรูปรูนามเนี่ยมันจะไม่ l รูปธรรมดานะอย่างพวกที่หลวงพ่อเคยรู้เนี่ยรูปนามเนี่ยพอไปเห็นกายเห็นใจเนี่ยพอรู้จักว่าโอ้อันนี้เป็นรูปนี่เป็นนามเนี่ย มันี่มีอาการสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากับจิตกับใจเราเนี่ยสิ่งที่ภา ค, คุมใจสิ่งที่ไม่เคยเราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ขึ้นมาแต่ก่อนมันเกิดขึ้นมาให้เราเห็น <S <S เป็นหน้าอัศจรรย์สิ่งที่มันเกิดมาเราเห็นน่ะโอ้โรงองค์อาจไม่กลัวอะไรเลยความคําพูดหรือจิตใจของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่เลยสิ่งที่เราไม่รู้เราก็เข้าใจลูก <S <S ลูกเข้าใจเราพูดไปได้เลยไม่เกรงอะไรใคร ไปพูดธรรมะธโมกับครูบายาย์เนี่ยกลัวจะมันพลาดจะพลาดจะผิดจะไปเกงไม่อยากพูดอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างงั้นหน่ายิ่งอยากจะพูดเลยกลัวท่านครูบายานจะไม่รู้กลัวเพื่อนท่านว่าจะรูกลัวท่านเข้าใจว่าเราจะไม่รู้ธรรมะมันอยากจะพูดขึ้ฟังเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างใั้นเป็นางนั้นเป็นอย่างนั้นอาการถึงที่มสืึอขึ้นมาแล้วก็อยากเทศน์เอาเนี่ย อยากเทศอยากสั่งสอนคนนั่นอยกสั่งสอนคนนี้มันอยากเป็นไปอย่างนั้ น, เ, นเวลาประพฤติปฏิบัติเนี่ยไ ม, ยมย่ทั้งอาจารย์ไม่มาให้อารมณ์ไม่มาบอกไว้นี่มันก็จะพูดตั้งแต่ธรรมะอยู่ตลอดวันถ้าผู้ปอาจารย์ไปบอกว่าอันนั้นมันไม่ใช่นะ มันใช่อยู่แต่วันมันถูกอยู่แต่มันไม่ดีมันไม่ถูกมันผิดผิดแล้วมันเป็นวิปัสสนูกิเลศอย่าไปพูดอย่างนั้นอดไว้ก่อนทนไว้ก่อนท่านจะบอกไปแต่มันบอกบัได้ก็ไม่ฟังหรอกถ้าเราไม่มาเห็นตใจรู้สึกนี่มันจะไปเป็นวิปัตสนูอยู่ตลอดเลยถ้าเราเข้ามาอยู่ในความรู้สึกเนี่ยว่ามันเป็นมันคิดอยู่กับในความคิดเนี่ยเราจะเห็นความคิดของเรา ทุกจิกทุกอย่างเกิดขึ้นมาไม่ค่อยจะหายไปเองเราอย่าไปปล่อยให้ชีวิตจิตใจของเราเนี่ยกลายกับลวงกำกนำเนี่ยเราทิ้งมาได้จ้องเป็นที่พึ่งของเราตลอดเวลาต่อการเวลาพลาดขึ้นมาด้วยวิธีใดก็ตามให้เข้ามาอยู่กับตัวนี้มาอาศัยตัวนี้ มาอยู่กับตรวรู้รู้แล้วก็จริงทั้งหมดมันก็ค่อยจะหายไปหายไปพยายามเอาใจใส่อย่าขี้เกียจถ้ามันง่วงเหงาห อ, งนอ น, นก็ทำแรงๆยกมือยกแรงๆยกขึ้นชงสู ง, งก็ได้ไม่เป็นไรถ้าเรา แล้วก็ลุกวิ่งก็ได้ลุกเดินหน้าถอยหลังก็ได้ทำเวลามันปวดมันเจ็บมันก็อ่มันเป็นอยูน่นะน่ะมันวุ่งเหงานอนมันไม่ถลืมสลือ ม, มันไม่รู้จากอะไรเนะี่ยทงแรงยกมือก็ยกสุดแขนเลยเนี่ยยกจนเรยวๆจนวัเนเหนื่อออกมันก็หายถ้าทําได้ถ้าถึงทําเป็นนะ่ะถ้าทําไม่เป็นมันก็ไม่หายหรอกถ้า มีแต่เก็บจต่ขวดดูหลวงพ่อเคยเคยทําทํำมททุกอย่างเลยแหละคนที่ห น, าหน้หนาดื้อหน้าด้านที่มาพึ่งปฏิบัติเรี่ยล้องพ่อนี่แหละคนหนึ่งครูบาอาจารย์ท่านสอนสอนแต่มันเป็นมันเป็ น, ม, น, ม, นมันทํำมาได้ทําไปในทางที่เราชอบไปเรื่อยๆไปไปคงไปอยู่กับความคิดไม่เข้าใจง่ายธรรมะเนี่ย มันไปอยู่ในความคิดนั่นแหละมันมีรสมีชาติเลยแหละไปอยู่ในความคิดเนี่ยสนุกสนานเวลาได้เหงานอนบางๆง่วงนอนบางๆเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในความคิดคิดเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างเคยสนุกสนานเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดไปก็มันก็ไม่อย่างนอนแล้วเนี่ยอาจารย์โอ้หลวงพ่อคมเนี่ยคือจะได้อารมดีเนาะวันนี้โอ้แต่ที่เก่งแล้วมันไปได้อะไรมันได้ความคิด มันไม่ไดูจากอะไรอะดื้อด้านแท้ๆหลงพ่อเนี่ยเราไปามาครูบาอาจารย์ท่านสอนถอนหลายคนท่านให้อารมณ์แล้วก็คนนั้นมาให้อย่างหนึ่งคนนี้มาให้อย่างหนึ่งมันก็หลงอารมณ์มปแก็มี เพื่อให้เรามาดูตัวเองอ่ะมาดูกายดูใจอย่าออกไปนอกถ้าออกไปนอกไปคิดเรื่องอดีตในอดีตหรือไปหาไล่หานาหาการธุรกิจทุกอย่างมันออกไปแล้วนั่นมันออกไปนอกแล้วเราอย่าเข้าไปอย่าออกไปให้มาอยู่การเคลื่อนไหวของเรานี่ อ, อมาดูอาการสิ่งที่มาเกิดขึ้นให้รู้จักดูเราก็ดูอยากแก้มันค่อยทำไปทําไปคนใหม่ๆนี่ก็ มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล่คนเก่าๆนี้ก็จะไปอยู่ในความคิศให้มากให้มันอยู่ในตัวรู้นี่พอรู้แล้วก็มันก็หายไปทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาอาศัยดวงตัวนี้ค่อย่ําไปอย่าไปลุกนีลุลวน เพราะว่ามันอยากเย็นแค่แต่อันพม่าของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาให้เราเห็นเนี่ยเราจะไปสงสัยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาอยากจะให้มันหายไปอยากไม่อยากให้มันเกิดอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันมันเป็นไปอย่างนั้นมันโดยมากมันจะเป็นอยู่เอย่างนั้นแล้วก็ไปติดอยู่ในความคิดนั่นแหละ เอาเลี้ยงนี่แล้วก็เอาเลี้ยงนั่นมาคิดจบนะั่เรื่องหนึ่งเลี้ยงหนึ่งมาคิดจรบถวนนุ่นไาวอยู่นั่นแหละค่อยไปค่อยมาอย่าไปลุกลี้ลุกลานอย่าไปตามใจตัวเองมันอยากหยุดก็จะไปหยุดมันอยากหนีไปไหนก็จะหนีนั่งตั้งกังวลอยูดด่ที่เดิมนั่นแหละ มันจะไปไหนก็ห้ามมันไปไว้บอกว่าไม่ไปถามตัวเองเอามันชวนไปไหนก็อย่าไปอย่าเป็นผู้เป็นหลวงพ่อก็แก่แล้วก็ไม่มีความพูดมากดอกพูดอะไรก็พูดไม่เป็นหดอกแก่เท่าแก่มาแล้วอะไรหลวงล ง, ล, งลืมลืมไม่จะพูดเรื่องหนึ่งก็ไปเรื่องหนึ่ง พอมาเป็นเพื่อนยุงปู่ยุงหมูยังอะไรเช่นนั่นแหละใหญ่ก็ใหญ่จนเท่าจนแก่แล้วแหละพมมาเกิดนานแต่ความรู้นะ่ไม่ได้เรียนศึกษามีแต่การปฏิพิษปฏิบัติออกจากทุกไม่ไม่ไม่ไปอยู่ในคนวามทุกเมื่อก็ดีแล้วไม่เอาอะไรตอนนี้ทำงานก็ ทำโดยความว่างเฉย อ, อะไรเกิดขึ้นมาก็ดูแล้วก็แล้ยวไปไม่มีสติปัญญาอะไรไม่เกิดก็อยู่เฉยๆนี่ะเกิดนะขึ้นมาแล้วก็เห็นมันเกิดไปแล้วก็ไอดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาเห็นแล้วก็แลี้ยไปปล่อยไปตามย า, ากับของใครของมันแล้วก็อยู่พออยู่อย่างเราเนี่ยแหละแต่เขาก็อยู่อย่างเขานะอันทุกันทุกก็ดูแล้วก็แลี้ยวไปทิ้งไป ยจะคอยดูความคิดมันก็ไม่คิดมันไม่มีความพูดก็มันความไม่มีความคิดหรืออย่างอะไรก็ไม่รู้ทำงานอะไรก็ทำด้วยความว่างเฉยๆทำไปทำเตยอยู่ก็ควอมรู้สึกไปเล่นๆไปมาก็ดีมันไม่ทุกข์ก็ดีแล้วใจิตใจของเราก็สบายอยู่นั้นน่ะแล้วพูดมาเนี้ยก็ถึง สมควรเจรจาเลาคุยติเพียงเท่านี้ขอพิจารณาันการขออภัยให้ทงพอด้วยนะเวลา